เราเป็นชาวเสียมผูตัดสรุปเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราปุบกาชิวกะแ ล, ะล็บดินใสเฉลยเมื่อรุนนลายหนีไปคุยโวกันไไม่ฟังเลยแทนที่จะได้ฟังทำอพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไม่เป็นด่วนรับด่วนเปรเจดทาพูดแบบนี้ไม่ชอบปุบกาชีวกก็นั่นก็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 ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจวิชีดูขอนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียงผูตัดจุลูดเองไม่ใช่คำ น, นั้นแล้วดูก่อนปัญจวิชีเราได้ตัดจรูโดยโชอบเราจะบอกปัญจวิชีซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนทยาผามเราก็โรคเป็นสัตว์ปรุษเป็นบรรพโหรดของเรา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 ม่อวันที่กำลังคนกำลังหลับมาก็มาถึงอิจิปันะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินตั้งที่เป็นลูกเศรษฐีครคนเดียวก็ยังมีทุกข์่ะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไม่อยากพระเจ้าโดนงจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกหนอไม่ทุกที่นีไม่วุ่นวายที่ี่ไม่มีทุกมาที่นี่เถิด แจ้าจากักวรบทได้ยินเสียงตรงกันข้ามกับความเป็นในชีวิตจิตใจของตนถอดรองเท้าเดินเข้าไ ป, ปเจ้ากูจงกมอยู่ก็แสดงทำไม่ฟังในอนุบพิกถาทั้งห้าเหมือนกับซักพอกชีวิตจิตใจมันเปื่อนมาด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายชีวิตของยาสระจึงออกมาเป็นการพูดทุกหนทุกห น, กหนวุ่นวายหนอ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 พอ่อในมวพระเจ้าพ่อหมู่สงปัญญชียะศไปฉันทีบ้านโปรยพ่อโจมทั้งหลอยเพื่อนของยะศกุลบุตรเห็นยะศบวชเอา้ามาถือบวตอีกสี่สิบห้าค น, นะนเออมันก็เกิดขึ้นมานี่หลักฐานาใครล่ะเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญชียะศกุลบุตรเพื่อนยะกุลบุตรนับจากนั่นไปอีก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 เดือนเป็นเดือน8ถึงเดือนสนี่ก็แมน8เข้าเดือนเกิดพระหลันหนันสองรไปรวมกันที่ป่าเบรวนสวนเวรวนุงราจะคือเดินทางไปไปพบพระพิิเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าอ้อาชจรรย์น้อพระสงฆ์ที่มาน่มารวมกันไม่ได้นัดหมายตั้ง 1,250 งรู้ปล้วนเป็นพระหันทั้งหมดเลยแสดงโอวาทปถโมก